สองยสาติวิปปณะกับปาธิกถาว่าด้วยกรรมที่ยติวิบัติเป็นต้น385สมัยนั้นพวกภิกษุฉัพภ ค, คีทํากรรมเช่นนี้คือทํากรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบรำทํากรรมพร้อมเพรียงกันโดยไม่ชอบรรมทํากรรมแบ่งพวกโดยชอบธรรม ทำกรรมแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปทำกรรมพร้อมเพลียงกันโดยทำปฏิรูปทำกรรมที่ยติวิบัติแต่อนุสาวนาสมบูรณ์บ้างทำกรรมที่อนุสาวนาวิบัติแต่ยติสมบูรณ์บ้างทำกรรมที่ยติวิบั ต, no. บ ต, ติอนุสาวนาวิบัติบ้างทำกรรมเว้นจากธรรมบ้างทำกรรมเว้นจากวินัยบ้าง ทำกรรมเว้นจากสัตว์ทุสา์บ้างทำกรรมที่ถูกค้านแล้วขืนทำไม่ชอบทำเป็นกรรมไม่ถูกต้องไม่ควรแก่เหตุบ้างบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตำหนิประนามโพรธนาว่าฉะไหนพวกภิกษุฉับพักขีจึงทำกรรมเช่นนี้เล่าคือทำกรรมแบ่งพวกโดยไม่ชอบทำ ทำกรรมพร้อมเปลียงกันโดยไม่ชอบธทำทำกรรมแบ่งพวกโดยชอบทำทำกรรมแบ่งพวกโดยทำปฏิรูปทำกรรมพร้อมเพรียงกันโดยทำปฏิรูปทำกรรมที่ยติวิบัติแต่อนุสาวนาสมบูรณ์บ้างทำกรรมที่อนุสาวนาวิบัติแต่ยติสมบูรณ์บ้างทำกรรมที่ยติวิบัติอนุสาวนาวิบัติบ้างทำกรรมเว้นจากธรรมบ้าง ทำกรรมเว้นจากวินัยบ้างทำกรรมเว้นจากสัตว์ศาสตร์บ้างทำกรรมที่ถูกค้านแล้วและขืนทำไม่ชอบทำเป็นกรรมไม่ถูกต้องไม่ควรแก่เหตุบ้างลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามว่า ภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุฉับ พ, พักคีทำกรรมเช่นนี้จริงหรือคือแบ่งพวกทำกรรมโดยไม่ชอบธทรและทำกรรมที่ถูกคานแล้วและขืนทาไม่ชอบทำเป็นกรรมไม่ถูกต้องไม่ควรแก่เหตุบ้างภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าทรงตำหนิว่าละครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมีกระถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่า